เพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู้ของใจซึ่งผู้บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆ้ักๆจนกระทั่งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้น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 เรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถ้วนดังนั้นอุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆ้ำักๆัอเพื่อจะให้ติดอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่น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 ในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงถือหลักว่าภาวนาให้มากๆแระทำให้ชํชนานิชํานานเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้มากๆทำให้ชํชนานิชํานานทำไม่หยุด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 พอทำไปเน็ดหน่อยเกิดทุกเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภาคเพียนพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้อาจจะม่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าท่านทั้งหลาย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 จะบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ฉันจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริง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 ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาท่งอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนส่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆ <c oughs> การภาวนาหรือการทำจิตเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดลบรนดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมรรถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาล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 ในที่สุดย่อมสลายตัวทีนี้การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราตื่นจากที่นอนมาแล้ว เราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปลงฟันจะต้องอาบน้ําชาระกายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นจิตวัทประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะใช้การพิจารณากรรมฐานพร้อมๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่า ทำไมเราจรึงต้องแปลงฟันที่เราต้องแปลงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสปกปรกทำไมเราจรึงต้องอาบน้ำที่เราอาบน้ำก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นของสปกปรกถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็จะได้คำตอบอย่างนี้ในเมื่อได้คำตอบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐาน อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าหากผู้ที่มีสติปัญญาที่จะต้องคิดกว้างฝ่างไปหน่อยว่าทําไมเราจึงต้องทําความสะอาดร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันสกปรกมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บแน่ยเราก็ได้ความรู้กว้างฝ่างออกไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน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 เราสามารถที่จะดนบรันรดาลเนรมิตเอาได้ทุกสิ่งอย่างหรือหรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันออกมาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อเอามาเราจรึงจะได้มาทำรับฐานในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องก้าวออกไปสู่สังคม ในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคมเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรเจนเราต้องการอาหารเรามีสตังเราก็ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนออกมาถ้าเราเป็นผู้ซื้อเขาให้ของเรามาเราก็ให้เงินเขาไปมันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและ ก, กันเป็นการปฏิบัติทอบด้วยศีลธรรม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 โดยยึดหลักว่ามาตาปิตุอุปทานังปุตทา ร, รสังโฆโหการอุปถากเตี้ยงดูปีดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดหาท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลำบากอยู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกแคลเรบร้อยดังนั้นผูดตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความสงบแตสันติสุข ก, กันจริง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 ชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราประสบเหตุการณ์แต่สิ่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเรานั่นเองนี่คือหลักการปฏิบัติเกี่ยวอาธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติและทั่วทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิดความขี้เกียจขี้คล้านเบื่อหน่ายไม่เอาธุรกิจการงานอันนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้าอย่างสมมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนขี้เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยั่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นการ เ, าเป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ช่วว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องอาการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายสาหรับปั น, นี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควร ความจริงนั่นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นณนะโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรขอทุกท่านจงสำรวมจิตของตนเองให้รู้รงที่จิต แล้วก็ยึดเหนี่ยวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยชนานาญมาแล้วแล้วก็กําหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นพื้นฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นพื้นฐานให้เกิดธรรมะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิต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 ในเมื่อนึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเราเนึกถึงพุโทโธแล้วสติสัมปชัญญะมาเองเพราะว่าจิตเป็นผู้ระลึกรู้คำว่าพุโทโธเมื่อเราตั้งใจจะนึกถึงคำว่าพุโทโธเมื่อไหร่ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้น ความตั้งใจอ น, นั้นแหละคือตัวสติให้กำหนดติดนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกก็ได้ถ้าภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธรพร้อมลมออก มันยังมีช่วงห่างอยู่จิตสามารถส่งกระแสไปในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วๆเข้านาทีของท่านมีแต่เพียงว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบ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 เราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับคําบริกรรมภาวนาหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคําบริกรรมภาวนาก็กําห no นดจดจ้องลงที่จิตแล้วเนกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตพระจ่าพุทโธเป็นนึกถึงสิ่งอื่น <Chat. S 2> เราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่น เราก็เอามาไว้กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตามเดิมเมื่อจิตอยู่กับพุโทโธก็เลกพุโทโธพุธโทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละาจากพุโทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นแล้ว ร, รู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับคืนมาให้อยู่กับพุโทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริกรรมภาวนา ท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมาก็น้อมจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำนาญท่านเคยภาวนาสัมมาอ阿拉หังก็ภาวนาสัมมาอ阿拉หังเรื่อยไปภาวนายกหนอปองหนอก็ยกหนอปองหนอเรื่อยไปทำบริกรรมภาวนาทุกอย่าง เป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้านึกให้มากๆทำให้มากๆจนํำนิํานาญจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้น แล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คำนำภาวนาในขั้นต้นตนนี้จะรู้สึกว่าจิตนึกอยู่ที่คําภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่แล้วเราก็เอามาไว้กับคําบริกรรมภาวนา เมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เช่นมีอาการ <c oughs> ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกใคล้ๆกับตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้น รู้เสึกว่าตัวเล็ ก, กลงเหลือเกิดความสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งจิตมีความสงบประเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไรอาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบ จิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนั้นใจทุรนทุลายไม่ดิ้นรนมองหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจาระสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิ เมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นตน้นซึ่งเรียกว่าปฐมสมาธิปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้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 จิตจะมีอาการเลื่อนลอยเปลงปางไม่มีที่เกาะไม่มีที่จุดเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอกไม่รู้เข้ามาภายในคือฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิต ได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นกระโหลกศีรษะกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึก ภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้า อ, อกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกกำหนดถือเนื้อออกเนิกกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งจนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้า อ, อก แล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอธิอธอธเมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองเห็นกระดูกตรงที่หน้าอกเป็นนิมิตรอย่างชัดเจนในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้าอกแล้วท่านก็ควรกำหนดรู้อยู่เฉย ในขั้นนี้ยังต้องไปพันรณาลักษณะของกระดูหรือสีสันวัรณะต่างๆเป็นแต่เพียงกําหนดรูอยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิม็ดกระดูกที่หน้าอกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็นจิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีก ถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กาหนดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเกา่าแล้วก็เนกบริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอธเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกอีกฝึกหัดจนชํานิชนานาญอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวแม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติ ก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในเมื่อรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวา ง, วางอันนี้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าแม้แต่เจตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้น ก็มีคุณค่าเท่าเท่ากันกับรู้หลายๆายอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่าธาตุกรรมฐาน หรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภากรรมฐานหรือาธาตุกรรมฐานเจตของท่านพูดทีก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายนิจจะสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดูกเครื่องเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปบางครั้งมันก็มองเห็น บางครั้งมันก็มองไม่เห็นแล้วเจิตก็ไปสําคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสําคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตเพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไร รู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไรถ้าเจตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตรมองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าหากว่าจจตสามารถที่จะ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 แล้วเจตเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จิลังยั่งยืนรู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น ถ้าจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคณิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคณิมิตจิตก็ใกล้ใๆต่อความที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนากรรมาฐานเพราะจิตกําหนดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้น อนนี้จะสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาอย่างแท้จริง